ข้อคิดทิ้งท้ายทำดีอย่ารอให้พร้อมถ้ารอพร้อมจะไม่ได้ทำดีแม้ล้มเหลวหเลวแค่ไหนเราพลิกชีวิตกลับตัวเริ่มต้นใหม่ได้เสมออย่าตัดสินคนแค่ภายนอกธรรมะไม่ใช่แค่การแต่งตัวหรือทำกิริยาให้ดูน่าเชื่อถือเท่านั้น เคยสงสัยกันบ้างไหมครับทำไมขยันตั้งใจทำดีแต่ยังจนล้มเหลวหรือรวยได้แต่ก็ไม่มีความสุขทำความดีก็เหมือนเล่นหุ้นนะครับเงินเท่ากันอาจได้กำไรต่างกันอยู่ที่ใครจะรู้ข้อมูลถูกต้องมากกว่ากันขอเพียงฟังธรรมะที่ถูกต้องและถูกจริตวันละไม่กี่นาทีเท่านั้นจะได้เห็นทางลัดสู่ความสุขและความสาเร็จในทุกด้านการฟังธรรมะสวดมนต์สมาธิ ช่วยคลื่นสมองสงบส่งให้จดจำเข้าใจลึกซึ้งจึงแก้ปัญหาดีขึ้นผลพลอยได้ทำให้สุขภาพดีผิวสวยด้วยฟังธรรมะประจำจะสร้างภูมิคุ้มกันความโวยและความทุกข์ทำให้รู้จักทาบุญถูกทางซึ่งเป็นที่มาของความรวยคนรักดีการงานดีสิ่งแวดล้อมดีๆขยันเรียนแทบตายเป็นสิบปี เอามาใช้ประโยชน์ระดับทุกไม่ได้เลยแต่ธรรมะช่วยได้ทุกเรื่องกลับอ้างเสมอว่าไม่มีเวลาธรรมะก็เหมือนวิตามินนะครับที่ต้องได้ทุกวันคนไทยฆ่าตัวตายเฉลี่ยสิบคนต่อวันอย่ามั่นใจว่าจะไม่ถึงคิวของคุณถ้ารอให้ทุก่อนค่อยฟังธรรมะถึงตอนนั้นอาจจะสายไป ความเก่งและห่วงจุย้ยหรือจะสู้แรงกรรมหากพนักงานเข้าใจธรรมะและทําบุญประจำจะส่งเสริมให้กิจการรุ่งเรืองปกครองง่ายไม่สร้างปัญหาให้เหนื่อยใจธรรมะมีสองระดับนะครับคือหลักของคาระวะที่ทําให้ประสบความสาเร็จทางโลกแบบมีความสุขได้จริงกับธรรมะของนักบวชที่มุ่งพ้นทุกข์และตัดขาดจากโลกโดยสิ้นเชิงแล้วคุณจะรู้ว่า ทํามาที่ถูกระดับเท่านั้นคือคําตอบของทุกปัญหาเกิดมาเพื่ออะไรทําไมไม่รู้เธอจะลองคิดดูบางหรือลา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 ไลเสียดายคนตายอย่างเธอต้องจากกันไปโดยไม่รู้ไม่เห็นไม่อ่านความจริงที่ซืบทอนปอด ไ, ไว้ลับตัวไม่ได้ลับใจไม่ทันคุณค่าที่เกิดเป็นคนนั้นถ้าปล่อยมันไป